ช่วงนี้ให้โยมสงบใจให้ใจวังธรรมะเพราะการสงบใจจะมีอนิสงส์ทำให้เรา ใจได้เป็นบุญเพราะใจเป็นสภาวะอารมณ์ใจนี้เป็นฮะไทยหาวัุกโศบทีดเลือดมาเลี้ยงในร่างกายนี่ระบบหัวใจ แต่ระบบสภาวะจิตเป็นตัวรับรู้อารมณ์นิจใจหรือสภาวะจิตเนี่ยรับรู้อารมณ์แล้วก็ปรุงแต่งเลยกระแสจิตไม่อยู่ในกายกระแสจิตเราพอรับ รู้อารมณ์เ็าเรียกว่าทำอารมณ์อารมณ์มากระทบใจและใจเราก็คิดไปนึกไปแล้วก็ปรุงแต่งไปไปตามอารมณ์วันหนึ่งคืนหนึ่งคิดอยู่อย่างเนี้ยหลายวันหลายเดือนหลายปีหลายสิบปี ที่เราเกิดมาชาติหนึ่งจิตเราเป็นธาตุแห่งอารมณ์ mm hmm. แต่อุบายคำสอนของพทธเจ้าเนี่ยหรือครูบาอาจารย์ได้หลายองค์ท่านจะห า, ห า, าหาอุบายหาอุบายห้อจิตมาตั้งไว้ติิฐานกายที่เราตั้งอยู่ในอาปาณาติอารมณ์ อนาบานส ต, ติลมหายใจเข้าลมหายใจออก <c oughs> เมื่อเราพาจิตมาตั้งอยู่กับลมพราสภาวะลมเนี่ยคนเราก็หายใจเข้าหายใจออกปกติอยู่แล้วแต่เราพาจิตมาตั้ง เอาจิตแล้วเกาะอยู่กับลมลมเข้าจนสุดลมลมออกจนสุดลมหรือลมหายใจเข้าโพลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าโพด ลมหายใจออกโรลมหายใจเข้าโพดลมหายใจออกโ ท, ออกโทนี่เราพลาจิตเนี่ยพายจิตเรารู้ลมตนเองว่าลมหายใจเข้าผ่านเข้าไปลมหายใจ ออกผ่านออกมามีสติสัมปชัญญะประคองให้จิตเราอยู่กับลมเมื่อจิตตั้งอยู่ที่ฐานลมจิตเราก็มีเครื่องโลดรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออก นี่เป็นอุบายให้จิตเราติดตั้งที่ฐานลมจิตเราได้พัก mm hmm. จิตเราไม่ถูกปรงแต่ง mm hmm. จิตเราได้นิ่งอยู่กับลมเมืม่อสภาวะจิตนิ่งอยู่กับลมจิตเราก็เห็นลมลมหายใจแรงลมหายใจเบา ลมหายใจละเอียดลมหายใจลึกลงหรือลมหายใจมีความรู้สึกดูมืนไม่หายใจแต่หายใจแต่สภาวะจิตเราเริ่มสบงบขึ้นและมีความรู้สึกดูเหมือนไม่หายใจ เป็นสภาวะหยาบก็ตามละเอียดก็ตามอืเป็นสภาวะจิตที่นิ่งอยู่กับลมตอนนี้จิตตนเองก็จะเห็นลมชัดเจนขึ้นมาเนี่ยจิตระอยู่ภายนและจิตตั้งอยู่ในฐานองค์บริกรรมอมเขาเรียกว่าจิตอยู่กับพุโทโธ พุทโธก็อยู่ในจิตถ้ากระแสจิตเราไม่ใส่สายออกนี่กระแสจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลทุกขณะเพราะตัวกุศลแปลว่าจารานเราพราจิตให้มาพักจิตเราไม่ได้ออกท่องเที่ยวไปหรือจิตเราได้สงบขณะหนึ่งกันะเงีย และทำให้จิตเรามีความรู้สึกสบายใจฉะนั้นหลักอุบายภาวนาเนี่ยมันเป็นหลักเป็นอุบายล่อจิตตนเองให้จิตได้พักให้จิตได้มีหลักมีองค์บริกรรมเป็นอุบายสกัดกั้นอารมณ์มไม่งั้น ทมอารมณ์อารมณ์ไหลเข้ามากระทบใจเขาเรียกว่าอิทธารมอ น, นิธารมและพระก็สวดว่าอารัมณปัตตโยมีอารมณ์เป็นปจัจจัยอันนี้ใจเนี่ยจะมีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเราสังเกตดูใจเรา โดยมากจะอารมณ์ไม่คดี อ, อารมณ์ไม่ดีเช่นเรานั่งขาดเนี้ยเรา ม, มีความรู้สึกเริ่มปวดขาอารมณ์ไม่ดีแล้วกระแสจิตเราเนี้ยพอเราไปมีความปวดปุ๊บจิตเราก็อยู่กับอยู่กับความปวดจิตจะไม่อยู่กับพุโทโธแล้ว ไปอยู่กับความปวดอ น, นี้จิตไม่ชอบแลละไม่ชอบความปวดอันนี้พอจิตไปอยู่กับปวดมันก็ปวดมากขึ้นนี่ก็เรียกว่าปรสสวะทุกขเวทนาแต่ถ้าจิตอยู่กับพุทธโธพุทธโธนนี้ถ้าพลังพุทธโธมากกว่าจิตไม่ไหลไปสู่ ความปวดจิตเราอยู่กับพุทธโธความปวดยะไม่เกิดแต่ถ้าพลังความปวดเมตนามากกว่าจิตเราจะไปอยู่กับความปวดไม่อยู่กับพุทธโธอันนี้เราพาวนาทำให้จิตเรารอบรู้ อยู่ในกองแห่งสังขารว่าจิตเราเนี่ยให้อยู่กับพุทธโธไม่อยู่อจิตเรารับรู้อารมณ์เวลาความปวดเกิดก็ไปอยู่กับความปวดเวลาจิตเราคิดนึกก็ไปอยู่กับความคิดนึกเวลาจิตเราง่วงจิตเราซึมจิตเราก็ไปอยู่กับความง่วงความซึม นี่กระแสอารมณ์เหล่านี้เขาครองใจเรามา น, านเขาพยายามสกัดกั้นแม้ใจเรานิ่งอยู่กับพุทธโธถ้าใจเรานิ่งอยู่กับพุทธโธอารมณ์บุญเกิดอารมณ์บาปมันดับอารมณ์บาปก็อารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์ง่วง อารมณ์ง่วงที่มาลบกวนใจนี่นบาปเขากั้นขวางเป็นกิเลสสมารมานคือกิเลสเขากั้นขวางทำให้จิตเพลินทำให้จิตซึมทำให้จิตง่วงทำให้จิตระพงซานเขาสกัดกั้นอย่างนี้พอเลิกจากง่วงก็มาคิดเลิกจากคิดก็มาง่วง นี่กิเลสสมานมานคือกิเลสเขาสกัดกั้นเวลาจะสร้างบนมานขวางและไม่ขันธรรมานก็กิเลสสมานขันธรรมานก็โรคภัยไค่เจ็บโรคภัยไค้เจ็บที่เกิดในร่างกายของเราบางครั้งปวดท้องบ้าง บางครั้งท้องอืดท้องเปรบ้างบางครั้งก็ปวดตาบ้างปวดฟันบ้างมเมตนาทางกายมันเกิดสิ่งที่เกิดเนี่ยมันเป็ น, ปนขันธมารเราก็ใช้ความอดทน ม, มันจะปวดเราก็เปลี่ยนยาบดไปขยับทางซ้ายบ้างขยับทางขวาบ้าง แต่ถ้าใจเราอยู่กับพุทธโธจะไม่ปวดที่ใจอยู่กับพุทธโธไม่ปวดเนี่ยเพราะจิตเรามีพุทธโธเป็นอารมณ์เนี่ยจิตเราอยู่กับพุทธโธไม่ไหลไปความปวดแล้วอันนี้จิตมาสวยสุขเวทนา ละทุกขเวทนาพอใจสงบขณะหนึ่งขณะหนึ่งนี่สุขเวทนาเกิดแ น, น่จิตอยู่กับพุทธโธและทุกข์ก็ดับอันนี้คนเราถ้าไม่ฝึกหัดเลยเนี่ยจิตไม่อยู่กับพุทธโธไปอยู่กับความปวดมากกว่า น, นี่ความปวดถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยความปวดที่แท้จริงเขาเกิดทางกายแต่เจ้าจิตเขาไม่ได้ปวดตัวจิตเนี่ยมันตัวแค่รับรู้อารมณ์จิตไม่ได้ปวดแต่จิตเป็นเจ้าของกายกายหวานนคืบลึกสอกกมาเนี่ย จิตเขาคลองกายจิตเขาเป็นใหญ่ในกายเวลาอะไรทางกายเกิดปุ๊บจิตเขายึดเลยอแล้วสังเกตสจิตยึดอะไรอาวัยวะทุกส่วนนี้จิตเขายึดหมดผมเราตาเราหูเราจะโหนกเราลิ้นเรากายเราใจเรา ตัวเราตัวเขาเนี่ยเ้าเรียกว่าเป็นตัวอุปาทานเพราะตัวอุปาทานแปลว่ายึดถือทำให้จิตเรายึดในกายตันเองทันี้ถ้าเราดูในแง่ของธรรมะความปวดที่แท้จริงเนี่ยเขาเกิดตั้งกายแต่จิตแค่รับรู้อารมณ์ นี้เราก็ใช้ปัญญาแลละเวลาปวดขามากๆเราเอาจิตอยู่กับพุทธโธให้ถีเลยถ้ากระแสจิตเราอยู่กับพุทธโธให้ทีขึ้นเราจะเห็นว่าความปวดที่แท้จริงเนี่ยเขาเกิดทางกายในพอจิตออกจากกายไป ความปวดกระดับงั้นการฝึกหัดทําสมาธิเนี่ยมีอานิสงส์มากเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยช่วยตนเองได้มากเลยเพราะหมอเนี่ยเขาแค่ฉีดยาดับเวตนาประมาณสองชั่วโมงฤทธิ์ยาก็หมดแล้วก็มาสวยวทุกต่อ ในพคกเราถ้าภาวนาเนี่ยเรานอนโาวนาสงบใจพิจารณาให้ใจอยู่กับธรรมะทีนี้ถ้าใจมีสมาธิเนี่ยช่วยได้มากจิตมันก็เพลิดเพลินด้วยอารมณ์ธรรมเมทนาเกิดก็ส่วนกายเขาแต่ส่วนใจเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธ อันนี้ทำให้ใจของตนเองมีพุทธมีพุทธโธเป็นทิต่างฉะนั้นอารมณ์พุทธโธเนี่ยปลุกจิตตนเองให้ตื่น<ม>เพราะจิตเราเนี่ยหลับไหลด้วยโมหะที่เราปล่อยจิตไปตามอารมณ์เนี่ยเขาเรียกเป็นธาตุของโมหะเราจงเกตดูใจเราสิ พยายามพราจิตให้อยู่กับพุโทโธก็ไม่ยอมอยู่เพราะอะไรเพราะเราสะสมอารมณม์มากอาตีตาอารมณ์อารมณ์เก่าๆเป็นอาตีตาดมนังว่าอะเป็นอารมณ์เก่าๆเราก็ไหลเข้ามากระทบใจใจแล้วก็ไหลออกไป นี่อารมณ์เหล่านี้แหละเป็นตัวปิดบังอีกทีหนึ่งนี้ถ้าเราพลากจิตมาอยู่กับพุโทโธล่ะถ้าเราพลากจิตมาอยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธนี่ทวนกระแสนะ ทวนกระแสจิตตนเองตัดกระแสอืมตัดกระแสอารมณ์เอาองค์ภาวนานี่ตัดกระแสแม่ลมเข้ามาสู่ดวงจิตตนเองทวนกระแสก็หมายความว่าทวนกระแสอารมณ์เพราะตามปกติเราปล่อยจิตไปตามอารมณ์ คนที่ปล่อยจิตไปตามอารมณ์ก็อุปมาเหมือนกับแต่น้ำเวลาฝนตกลงมาน้ำก็ไหลไปสู่ที่ลุ่มแต่น้ำเมื่อไหลไปสู่ที่ลุ่มนั้นน้ำก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาเปรียบเทียบว่ามนุษย์ที่เป็นธาตุของอารมณ์ เราเกิดมาชีวิตหนึ่งชีวิตเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่ถ้าคนไหนต้องการน้ำกักน้ำเอาน้ำมาปลูกพืชพันธุยานหารผลมะพรากลากไมยก็ผลิตผลเราได้บริโภคอิ่มหนำสำราญน้ำนั้นเป็นประโยชน์กระแสจิตก็เหมือนกัน กระแสจิตที่เรามีพุทธโธมีสติสัมปชัญญะสติเป็นธรรมนบ ก, การกระแสอารมณ์เมื่อกัรนกระแสอารมณ์แล้วเนี่ยอารมณ์นั้นน้อยลงไปเมื่อเราได้ฝึกหัดพุทธโธเนี่ยอารมณ์่วงน้อยลงไป อารมณ์พุ่งสร้าง น, น้อยลงไปอารมณ์ปฏิฆะหงุดหงิดเพราะใจของเราในหงุดหงิดง่ายโกโรธง่ายชุนเชียวง่ายนิจิตเราจะเป็นธาตุอารมณ์อย่างเงี้ยแต่อารมณ์เหล่านี้มันจะเบาบางไปเพราะว่าเรามีสติเป็นธรรมนบกั้นกระแสนี่เราก็มีผลเด ผลอะไรผลอำนาจโลภะน้อยลงอารมณ์โกรธน้อยลงอารมณ์หลงนี่น้อยลงไปเมื่อเราได้ฝึกหัดภาวนาถ้าภาวนาไหลไปสู่ดวงจิตแล้วกระแสะเหล่านี้จะเบาบางลงไปขยันดาขายว่าขายนินทา เพราะสิ่งเหล่านี้เรากระทบอยู่ตลอดความอิจฉาริษยาสิ่งเหล่านี้ก็มีเครื่องกระทบอันนี้ทำให้เราวางใจได้วางเฉยได้ที่เราวางเฉยได้เพราะไม่ปล่อยจิตเป็นทาตของอารมณ์นี่เราทวนกระแสแล้ว นี่มั น, เ ป, นเป็นตัวผลเพลงการปฏิบัติเขาเรียกว่ามีมรรคผลลรามีมรรคผลเกิดขึ้นมาความสบายใจฉะนั้นอุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยที่เรามาสงบใจเนี่ยทำให้ใจเข้าถึงธรรมอะไรเป็นธรรมนะกายเป็นรูปธรรม ใจเป็นนามธรรมอันนี้จิตตั้งอยู่ในกายจิตก็เห็นกายในกายอนนพอจิตเราตั้งอยู่กับองค์บริกรรมจิตก็เห็นอารมณ์ตนเองอันนี้ส่วนกายจิตเห็นกายยังไง เมื่อจิตเรานิ่งอยู่ในกายจิตก็เห็นกายเห็นกายเป็นไงเราต้องแก้ไขเยียวยาวอยู่ทุกวันเลยให้ข้าวให้น้ำให้ปะน่งให้พระหมให้ที่อยู่อาศัยบำบัดทุก บ, บันบลงสุขทุกวันให้ข้าวให้น้ำทุกวัน เราต้องบำรุงร่างกายเดี๋ยวสารพัดโลคาพยาธิก็เบียดเบียนโรคภัยแค่เจ็บก็มาเบียดเบียนนี่เรารับภาระของกายเรารับภาระของทุกข์ในร่างกายส่วนใจลนะ่ะส่วนใจก็ เราจะเห็นใจตนเองเห็นใจตนเองว่าใจเราไม่เคยได้พักจิตเราไม่เคยได้พักเลยทางๆ ท, ที่ให้สงบก็ไม่สงบเราจะเห็นว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจิตไม่อยู่ในกายเลยตั้งแต่มาปฏิสนธิในท้องแม่แล้วเนี่ย ยากจะออกอย่างเดียว mm. เหมือนความเป็นแม่ในะโลกอยู่ในท้องก็ดิน้น mm. พอคลอดออกมาแล้วเนะี่ยเด็ก mm. แค่เด็กมันคลอดออกมาเด็กก็กำมือและร้องอยากเกือไปโน่นไปนี่แต่กายไปไม่ได้แต่จิตมันไป โตเป็นเด็กโตเป็นนมเป็นสาววัยแก่เท่าชราเนี่ยสภาวะจิตไม่เคยหยุดนิ่งเลยแม้แต่หลับก็ขวัญ น, นี่มันเป็นสภาวะจิตอยู่กับความเกิดงั้นตัวปรงแต่งอารมณ์ที่ปรุงแต่งทาให้จิตเราคิดนึกเนี่ยเนี่ยความเกิดของจิต เป็นจิตตสังขารสังขารคือจิตแต่อุบายคาสอนของพุะเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่สอนให้มันสงบจิตตนเองเป็นวิสังขารดับอารมณ์ดับอารมณ์รมปรุงแตง่งพรจาจิตขาะนี้แล้วพรากจิตให้อยู่กับพุโทโธเนี่ยหายใจเข้าโพท หายใจออกทอหายใจเข้าออโพหายใจออกทอหายใจเข้าออโพหายใจออกทอนี่เราพลาจิตให้มาอยู่กับความดับดับอารมณ์ ถ้าจิตเราอยู่กับพุโทโธก็ดับอารมณ์ขณะหนึ่งขณะหนึ่งเป็นวิสังขารดับดับตัวปรุงแต่งถ้าเราดับตัวปรุงแต่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งนั้นพุทธเจ้าจึงยกย่องไว้บุคคลใดที่มีปัญญาดับอยู่กับความดับขณะหนึ่งเป็นคณิกะสมาธิ มีชีวิตอยู่วันเดียวดีกว่าคนที่เกิดมาต้องร้อยปีคนที่เกิดร้อยปีคิดทั้งร้อยปีเลยปรุงแต่งทั้งร้อยปีแต่เรามีปัญญาเราเป็นเด็กรุ่งดังเรามาสงบจิตตนเองขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งนี่พระเจ้ายกย่องแหละ มีชีวิตอยู่วันเดียวฉล า, าดกว่าคนที่เกิดตั้งร้อยปีคนที่เกิดร้อยปีคิดตั้งร้อยปีเราเกิดใหม่ดับอารมณ์ดับอารมณ์ขณะหนึ่งเนี่ยเป็นวิสังขารเป็นตัวดับอันนี้ทำให้ใจโดยสัมผัส สัมผัสจิต ท, ที่ได้สัมผัสความสงบงั้นความสงบจึงเป็นบ่อเกิดของอารมณ์บุญกุศลอันนี้ทำให้จิตใจนี้ยาคลายจากความเล่าร้อนเพราะตามปกติใจของเราเนี่ยร้อนร้อนด้วยโทสะร้อนด้วยโมหะเผาจิตใจเราสังเกตอารมณ์ ใจเราเมื่อไม่พอใจเกิดสุนมานเนี่ยอารมณ์ของขึ้นแหละนี่ถ้าเรามีพระธรรมคำสอนเกิดพอนึกถึงคำสอนก็คลายอารมณ์อารมณ์มันก็ลดลงนี่ทำให้จิตเราเกิดปัญญาได้เรท้ทางใจตนเองเรู้ทางจิตตนเอง นี่เป็นนามธรรมาใจนี้มันเป็นนามธรรมาแต่ต้องอาศัยปลกธรรมเพราะสภาวจิตเนี่ยมันเป็นนามธรรมาไม่มีตัวแต่ต้องอาศัยโลกเหมือนละภวนาเนี่ยต้องอาศัยลมอาศัยลมเนี่ยล่อจิต ให้จิตเกาะ อ, อยู่กับลมอันนี้จิตเราได้นิ่งอยู่กับลมอันนี้จิตเราก็ได้เห็นลมแล้วจิตตนเองนี่ได้เห็นลมตนเองอนนี้เมื่อเรามีความรู้สึกเห็นลมตนเองเ น, นี่เรามีปัญญาเนี่ฉะนั้นองค์บริกรรมภาวนามย์ปัญญาเนี่ย ปัญญารอบโลอยู่ในกองแห่งสังขารนี้สังขารมีสองสังขารกายสังขารสังขารส่วนกายจิตสังขารสังขารส่วนจิตอันี้สองสังขารเนี่ยเราก็พิจารณาส่วนกายก็ส่วนกายส่วนจิตก็ส่วนจิตมัน เป็นคนละกองกันอันนี้ส่วนกายอันนี้ส่วนจิตเนี่ยมาอาศัยรูปกายแต่จิตบังคับกายไม่ได้ทั้งๆที่มาอาศัยรูปกายเนี่ยจิตบังคับกายไม่ได้บังคับกายไม่ให้แก่จะบังคับกายไม่ให้จิบ อย่าบังคับกายไม่ให้ตายเนจิตบังคับไม่ได้ที่บังคับไม่ได้เป็นอะไรเป็นสัพเพเซสังขาราอนัตตา้ามไม่ได้เพราะสภาวะของโลกเนี่ยเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไม่มีใครบังคับบัญชากรรมเป็นตัวบังคับบัญชา บังคับบัญชาบงคลอายุปานกลางกลางคนบางคนอายุปัชิมมาไวหรือบางคนปฐมมาไว้ปฐมมาไวก็ตั้งหนึ่งขวบถึงยี่สิบห้าปีนิกรรมเขาจาแนกไว้นิกรรมเขาบังคับไว้ เราไม่สามารถบังคับกายได้ดันั้นจิตเราเนี่ยบังคับกายไม่ได้นี้โลกเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับนี่ก็เรียกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาโลกไม่เที่ยงไม่มีใครบังคับบัญชาโลกได้เลยเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเขาเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับ แต่จิตที่อาศัยโลกบังคับไม่ได้สะเพงสังขาราทุกขาเราอยู่กับกองทุกถ้าเรามาพิจารณาหลักความจริงแล้วเนี่ยส่วนกายมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งหมดเลยมีทุกข์ทั้งหมดยังไงเรา ใช้ตามากๆตาก็ปวดใช้หูมากๆหูก็ปวดใช้จมูกมมากๆจมูกก็ปวดใช้ลิ้นมากๆลิ้นก็ปวดใช้กายมากๆกายก็ปวดสิ่งที่เราใช้เนี่ยมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปพอเสื่อมไปมากแล้วเนี่ย เวทนาขันก็มากคนเราพออายุมากเนี่ยเวทนาขันก็มากงั้นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยอยู่กับความทุกเพลิงทุกเอาจิตตั้งกองไหนไม่ได้เลยมีแต่เวทนางั้นเวทนานี่แหละเราก็อยู่เป็นประจำเลยสัเพสังขารา ทุกข์ค่ะหิวมากก็เป็นทุกข์ทานมากก็เป็นทุกข์ทานมากไปก็เป็นทุกข์งั้นเพลิงทุกข์เนี่ยเขาทรมานจิตใจอันนี้สภาวะจิตเนี่ยถ้าเรามาตั้งอยู่ในกาย ตั้งอยู่ในองค์บริกรรแล้วจิตจะเห็นกาย<ม>เห็นกายอยู่ในความเปลื่มบัทตกวันเทีกวันอันนี้จิตละ่ะถ้าจิตเห็นกายเสื่อมไปลวเนี่ยต่อไปถ้ากายกายมันพังสลายแลวเนี่ยจิตเราจะไปอยู่ที่ไหน Mm hmm. เมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราจะได้ขนขวายเอาโูมทำเราจะอยู่ในโพมิไหนเราเราจะอยู่ในกาโมโภมโลภโภูมิหรืออารมโภมถ้าเราอยู่ในกาโมโภม mm hmm. เราก็อยู่ใน โลกเสียงกลิ่นรสผลภัณ์เนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกยาวนานแสนนานโลกประภูมินะโลกประภูมิต้องมีศีลห้าเบริสุดมีสมาธิแล้วก็มีปัญญานี้จิตเหล่าลอยอยู่เบื้องบนลอยเกิดแนละ้ว อารประภูมิอารประภูมินี้ต้องมีสมาธิมีปัญญามีฌานอันนี้กระแสจิตไปสู่เบื้องบนอันนี้ถ้ารูปกายเรากำลังวังชายอย่างดีอยู่เราก็สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นไว งั้นการสร้างบุญเนี่ยเราต้องรู้จักวิถีนั่งให้เป็นบุญเขาเรียกนั่งเป็นบุญก็นั่งภาวนาคำภ า, ภาวนาเนี่ยเพื่อให้จิตเราเห็นกายเห็นอารมณ์แต่กายก็มีอารมณ์ก็มีอันนี้ทํางให้จิตเราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าองค์บริกรรม วม่ได้คนนั่งให้เป็นบุญเดินให้เป็นบุญเอาจิตอยู่กับเ ท, ท้ากว่าพุทใจายโทกว่วาพุทใจเท่ากว่วาพุทใจเท่าทแล้วอยู่กับยืนขณะที่ยืนและอาจิตตั้งความรู้สึกเรายืนอยู่เอาความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะตามลำตัวถึงปลายเทา้า ตั้งแต่ปลายเท้าถึงตามลำตัวถึงตี๋สะพิจารณากลับไปกลับมาห้จิตอยู่ในใกายกายนอนนี่ลักษณะที่เรานอนเราจะนอนเข้าอีหรือจะนอนหมอนเรานอนตะแคงหรือเรานอนหงายเอามือพาดหน้าอกถ้านอนหมอนเอา มือขวาแปะไว้ที่หมอนและจิตอยววู<ม>่กับลมลมเข้าลมออกภาวนา<ม>ให้หลับอยววู<ม>่กับลมถ้าจิตเราหลับด้วยองค์ภาวนาจิตไม่ขวัญไลย<ม>ถ้าจิตเราหลับในองค์บริกรร ม, มจิตมันก็ โปร่งใสที่จิตได้โปร่งใสไม่ได้หลับด้วยนิวรณ์ถ้าเราหลับด้วยนิวรณ์ความง่วงเหงาหงนอนเนี่ยเวลาตื่นมาจิตจะเสื่องซึ ม, มกระแสะจิตจะโหดโถอยากหลั บ, อ ย, ลบอยากนอนต่อแต่ถ้าคนไหนหลับภาวนาไปหลับ เวลาตื่นมาจิตกรปรี่กระเปล่าโปร่ปรงใสเนี่ยหลับด้วยภาวนานี่วิธีสร้างบุญเขาเรีย<ม> ก, กว่าสร้างบุญให้กัตนเองอันนี้ถ้าเราศึกษาให้เข้าใจเนี่ยเราสร้างบุญได้ไง่ายทําให้ใจเราได้เป็นบุญวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ปล่อยเวลาโอกาส ให้ว่างจากบุญกุศลของตนเองนี่แล้วก็สะสมเอาไว้ก็ เ, เรียกว่าสุขโขบุญญ า, าอุตโยการสร้างสมบุญนำมาซึ่งความสุขเนี่ยบุญอันนี้ถือว่าเป็นบุญที่พระเจ้ยายกย่องเอาไว้ทำไมหนึง่ง ประชาชนถือดอกไม้ทูปเทียนมาอย่างมากมายมาบูชาพระเจ้าพระเจ้าก็กลัดต่ออนอนนท์ว่าดูก่อนอนอนนท์มาหาชนทั้งหลายอดอกไม้ทูปเทียนมาจากกาละบูชาเราถือว่ายังไม่ได้บูชาเรา บุคคลใดก็ตามถ้าปฏิปฏิบูชาถือว่าคนนั้นบูชาเราตาาคตบุคคลใดก็ตามปฏิบัติบูชาถือว่าผู้นั้นปฏิบัติเราตาาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราเห็นยังไงก็เห็นความทุกข์นี่เอง นี่เราเห็นความทุกข์ความปวดที่มันเกิดในร่างกายนั่นแหละเ<ม>นี่ยเขาเรียกว่าทุกข์กับสัต์สัตว์ตกอยู่ในกองแห่งทุกข์ทุกข์เขาเรียกว่าสภาวะทุกข์ทุกข์ที่แก้ไขไม่ได้<ม>ทุกข์ที่แก้ไขไม่ได้ก็หมายความว่า ทุกเราเนี่ยแก่ไปทุกวันทุกวันฟันก็หักผมก็หงอกนังก็เหี่ยวยน่นเนี่ยเขาเรียกว่าชาปิตุขาชราปิตุขาเขาปรากฏอยู่ตลอดนี่เป็นสภาวะทุกทุกที่เกิดจากการแก่การเจ็บนี้คนเราโลกภยัยค็เจ็บ ไม่มีใครห้ามได้เลยมีแต่โลคาปยาธิเกิดเบียนเบียนอยู่ทุกวันเนี่ยทุกคือเกิดจากการเจ็บทุกที่เกิดจากการตายตายนี่เป็นภายใหญ่ของสัตว์โลกเลยสัตว์โลกขึ้นชื่อว่าความตายนี่กลัวมากแต่ก็หนีไม่พน้นสิ่งที่เรา ไม่อยากได้แต่ได้ติ่งที่เราไม่อยากได้ก็หมายความว่าความแก่ไม่อยากได้ความเจ็บไม่อยากได้ความตายไม่อยากได้แต่เราได้อันี้ความตายนี่แหละเป็นภัยนี้เราต้องเตรียมเกราะเอาไว้ทำยังไงเราจะได้มีเกราะป้องกัน เราก็ต้องสร้างภาวนานี่แหละื่เวลามัจจุราชเข้ามาเราก็เข้าภาวนาเข้าสมาธิภาวนาไปครั้งหนึ่งพระโมกขราชเข้าไปททนถามพระบรมศตาตรดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทำอย่างไรหนอจึงไม่ให้พญามัจจุราชมองเห็นแล้วก็ตามทันพุทธ้ากัดต่อโมกขราชว่าดูก่อนโมกขราชถ้าเยอเธอไม่อยากให้พญามัจจุราชมองเห็นหรือตามทัน เธอต้องทำจิตให้ว่างที่เธอทำจิตให้ว่างนั่นแหละพระญามาจุราต์จะตาาไม่ทันมองไม่เห็นนี่ถ้าเรามองในแง่ของธรรมะเพราะจิตอยู่กับธรรมะจิตที่มีสมาธิจิตที่สงบจิตที่มีปัญญาเนี่ยจิตไปโยู่กับองค์ธรรมแล้ว อยู่กับพระพุทธพระธรรมประสงค์แล้วพยามัจจุราชตามไม่ทัน mm hmm. เพราะจิตไปอยู่ในองค์ธรรมนี้พยามัจจุราชจึงตามไม่ทัน mm hmm. ยานั้นช่วงที่เราสงบใจน้อมจิตพิจารณาดูดูวันที่เราสงบใจมา ใจเราส ง, งบหรือใจไม่ส ง, งบเราพิจารณาดูใจใจไม่ส ง, งบก็โลหรือใจเราส ง, งบบ้างขนาดหนึง่งก็โลหรือใจเรามีอารมณ์ง่วงลบกวนหรือใจเรามีอารมณ์คิดมากลบกวนหรือเรามีอารมณ์ปวดลบกวนหรือเรามีอารมณ์ พงส่านรบกวนเราก็พิจารณาดูอารมณ์ใจแล้วก็น้อมจิตมาตั้งความรู้สึกไว้เราวางมือวางเท้าอยู่ในท่าเดิมก็โลหรือเปลี่ยนไปครั้งสองครั้งก็โลแล้วน้อมจิตมาตั้งความรู้สึกไว้ที่มือทั้งสองข้างแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออก วางที่ข่าวขวาและเ อ, มอ า, ามือซ้ายตั้งความรู้สึกอาจิตตั้งไว้ความรู้สึกที่มือซ้ายเหยีย ด, ดมือซ้ายออกวางที่ข่าวซ้ายและยกมือขวามาวางที่หน้า อ, อกยกมือซ้ายมาวางที่หน้า อ, อกพนนมมือเป็นดอก บ, บัวโตวนึกถึงที่เราสงบใจมา ตั้งใจให้ใจสงบให้ใจเป็นบุญให้ใจเป็นกุศลอํานาจบุญกุศลอันนี้ขอให้เป็นบรารมีธรรมขอให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมคําสอนของพุทธเจ้าอํานาจที่เราสงบใจมาขณะหนึ่งที่ใจเราสงบใจเป็นบุญแพไปให้บุปกาดีคือคุณบิดามันดา คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปะกะด็ดีมีชีวิตอยู่กด็ดีที่ไหนมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปที่เราสงบใจมาช่วขณะหนึ่งที่มีอาุมบุญกุศลเกิดขึ้นแพรไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยเป็นเวรเป็นกรรมทางกายเป็นเวรเป็นกรรมทางวาจา เป็นเวรเป็นกรรมทางใจก็ขอเป็นอโหาสิกรรมกันละกันที่ไหนมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นก้มทิโลงคลายออกจากสมาธิภาวนา